มือนีเห็นวันวันเพ่นพอดีวันที่ทิศที่มกกระลักพมสองพันหรอยที่ิเก้ า, น า, กน 3, า, า็นวันเพ่นขืนทิศหาควันเพ่นนีเมื่อวันที่ิศเจ็ดนว่าค้มสองพันห้ร้อยสาิเจดหลวงปู่มรณภาขึ้นวันเพ่นยังที่ละวัจนันทอดมือนีเข้ากะยังขือทอดหลวงปู่อยู่ ยังเข้าลบยังหักเกินอยู่คีดหอดเพินก่เลยทำบุญอุทิศถวายเจัดซุปัจจัยผูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ไม่ว่าเท่าไรละ่ะอุทิศบุญบุชนให้หลวงปู่นั่มคำว่าขีดหอดเป็นนั่มเหมืนกันการเท่านั่งมีโอกาสมีส่สามารถอยู่กับพยายามเพียรพยายามร้ำลึกทำบุญพราะท่ำได เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขวอมเบิกบานในจิตในใจแล้วค่ะน้อมไปโอ้โหให้หลวงปู่เป็นเบิกบานเนก่งจีด้วยเอเอาเป็นเครื่องบูชาคือยังเอาเอาดอกไม้มาบูชาดีนะนั่นแะหละเอาบุญกุศล น, นี่แหละบูชาหลวงปู่นี่ข้อมจริงนั่นกับบรมนจ้าอันย่ำมือวันเท่นดอกบูชาคุ้นผู้บาอาารเป็นการท่ามบุญของพุทธศาสนาที่เคยส้นคือย่ำ อันนี้โอกาสเพราะว่าสิเกิดอยู่ไซเกิดอยู่เมื่อกีนเมืองไสเมื่อพลังเมืองแข่ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนเขาคนมี้ยมการท่านบุญเพียงสล่งละย้อนว่าสุกักว่าบุญนี่แหละทีเป็นแนวเพิงได้เท่านั้นแนวอื่นเพิงเพื่องว่าได้โดนแล้งอื่นทันบุญนี่เพื่งได้โดนตายแล้วไปพบพบนาสรานาเขาเนี่ยเพืงได้อยู่บุญเนี่มันดีเท่านั้นกัเลยถ้ากันเข้าใจแหละแต่ถ้ากันเฮ็ดกันทํากันเนี่ เจ้าฟุดไปเนื่อสั้นที่มีโอกาสท่านบุญนั้นบ่มันหน่อยดอกเหตุใดหลายหลายวิธีนั่นให้ท่านก็ได้ให้ท่านจะตังกว่าหลายอย่างท่านเข้าก็อาหารท่านผ่าท่านคอนท่านอยู่ท่านยาท่านค้ารถค้าล่านู่นน่ะท่านก็บ่มมันไปท่านแค่กับเนื้อคู่กับพาะกับเจ้าให้ท่านกับผู้เข้าเนื้อเข้าลําบากเขาต้องการก้อนใจเหลืออยงันโอ้ยได้รอดได้บุญรอดได้ ให้ท่านกนนอกจากให้ท่านจริงท่านของท่านเงินท่านท่องแล้วกะให้ท่านเมื่อแห้งเหงาบอญก็ได้ไอ้ซอยเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไม่เด่นให้ท่านค่วมคือค่วมอ่านให้ท่านให้ถ้ำมะเป็นท่านคือยังเข้าไปแนะนําห้วยเจ้าเจเ็ดบาต์เด้อให้เจ้าถ้าบุญให้เจ้ามิเมตตากรุณาเด้อว่านยังสิแนะนําเขาจักส่วนเขาฆ่าเขาเฮ็ดยังเป็นบุญหมดเนี นี่เลยว่าให้ท่านให้ท่านอีกอย่างหนึ่งกับให้งายกันนึ่งเขาว่าเอาให้ท่านเหมือนกันคนใจให้ค้นเครียดให้กันเนี่ยคนสร้างกันว่ถือสาบว่าถือใจเนี่ยคืดเกรียดคือสร้างคือประทุสลายให้อภัยเป็นการให้ท่านที่โอ้สูงอยู่ให้งากอยู่ถ้าปาษีต่อโอ้จีบมันเหมืนกันบ่าเอาโทษเอาให้มั่นใจมันอยู่ยังคดอยู่นะ นั่นแหละการผู้ได้ไฮได้เลยโอ้ยไปเสื่หลายไอันนี้เระเป็นเศี่ยนเป็นน้ำกันเท่าเอาออกได้ลหรโห้สมบาตอันนี้รับการกันให้ท่านใหได้หลายแนวดอกให้ท่านให้ลด้โอกาสนั่งรักษาศีลอีกแค่ไีนรักษาศีลแค่ไหนให้นี่รักษาศีลเนี่ยไม่ต้องไปเอาเครื่องเอาของไม่ต้องไปหาเครื่องหาของมากหรอกอันแนว อ, อันไดเท่าพอดี เฝ้าเศร้าละเวียนออกพิษไซบอดีส้วมประคติบอดีค้วมประคติบอดีมันเบียดเบียนข้นจัดอยู่ในโลกมันถึงนี่จะเบียดเบียนอยู่นี่ล่ะขันห้องคุจักแล้วบ่าโอ้มันเบียดเบียนกันเท่ากันเฝ้าเศร้าการบาเบียดเบียนการบ่ประคุ ช, ชั่วนนี่แหละเอิญมารักษาสินคือจังมือนี่แหละขันห้ากับสีมาสามารถท่านสินสินแฝดนังค้นก็เอาสินหาลังค้นก็เอาสินแฝด เป็นการละเว้นควอมบดีควอมบอดีนั่นสมมติ ว, ว่าในเข้ามีอยู่แล้วเฝ้าเอาออกอันนี้ขันเท่าเห็นควอมบดีผู้อื่นเฮ็ดอยู่นี่ยเนี่ยละมัดละว่างไว้ย่าให้มันมาเข่าอยู่ในเข้าอยงสี่เดชสี่หักษาศี น, นี่ยมันก็เกิดบุญท่นเนี่ยขันเท่ารักษาได้แล้วใจเข้าเบิกบานฟองใสก็มันว่โอ้อันนั้นผู้นั่นเฮ็ดสั้นมันบอดีโอ้เข้าผันบอดีเฮ็ด ดีใจเบิกอ right ่านใจนี่นั่นเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญรักษาศีลศีลขอหนึ่งไปเฮ็ดใจข้สองขอสามขอที่ขอหาอาอเจ็บขอแก่แค้ใดมัดแห้งเบิกบานหลายนอบุญเนี่ยเนี่ยแต่ภาวนาก็ะไดอกธัน่ภาวนาแห้งไงกูรักษาศีลอิธันิที่ไม่อยากยังภาวนานั่งอยู่กับซ้อมมือโอ้เอาหันใจว้อเนี่ยลูกฉันหันใจบอ หันใจยืดตัวเนี้เสร็ซ่อมอยู่ดนๆท่นนี่หูมืม่อหัวใจเกีจ็บของว่าหันใจยืดหันใจทำให้ได้ออกอยู่สิเนี่ยเป็นภาวนาแลยเด้อเนีนายจะได้บุญหลายเพราะฉะนั้นการทำบุญเด้วยกันทำพรเฤทับุญให้ท่านกเกษตรรักษาศีล เ, เาากษตรภาวนาเกษตรอันจิตใจเขาเบิดเข้าบ้านลมเย็นแล้วติดแพร่ให้ผู้ใดแพร่ให้เจ้าของนําแม โอ้ยหาาน้อยอยู่ห o m อยู่เย็นยังสี่เดอ้อหายพิสใจด้ยวยอบานยังสี่เดอ้อเช่นแล้วก็แพรไปหาผู้อื่นนะเนี่ยผู้ใดแน่เึ่งเงียบเ่องมิตเครื่องฟูรวงรับไปแล้วเึ่งสี่เค่องน่งองเึรื่องคอเครื่องแม่เข้านะแพรไปหอดพุนะ่นอ่ะพ้ที่เข้าตั้งอยู่นะเป็นตัะตูบ่เป็นคาสิบบนะ่แพรไปพุ่นละเรียกว่าแพรเมตตาแพรส่วนดีแพรบุญไปให้ อันนี้ได้ค่ให้มันหอมมันเย็นในบ้านในเมืองเท่าเห็นบประเทศไทยบกไฟคือเบียดเบียนผู้ใดเบ่เบียดเบียนผู้ใดบ่รังแกผู้ใดบ่ทำลายผู้ใดอันนี้แหละมันทำให้เกิดความหอมความเย็นในประเทศไทยนเททยนี่ประเทศอื่นบกไฟมีหรอก ส, สิอ่าเอาแบบนี้แ ล, แ ล, แล้วจำพี่